ตอนนี่อไปเพื่อพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่บคนุคคลผู้ไม่สำรวมจิตใจยอมถูกพญามัจจุราชมัน ยึดเอาชีวิตนี้ไว้ไม่ให้หนีจากโลกอันนี้ไปบุคคลที่ไม่ควรชื่นชมยินดีอยู่กับโลกอันนี้เพราะเต็มไปด้วยภัยพิบัตอันตรายต่างๆ โลกอื่นปัจจากภัยอันตรายมีโยโลกแห่งพระนิพพานได้ชื่อว่าเป็นการพ้นจากภัยอันตรายทางปวงดังนั้นเราพึ่งปฏิบัติมุ่งต่อพระนิพพานโดยตรงถ้าหากว่ายัง ไม่บรรลุถึงครึ่อนงนภาพานในปัจจุบันนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้ความสุขถูงกว่านี้บุญกรรมนี่มันยุติธรรมใครทำความดีมากสั่งสมบุญกุศลไว้มากเท่าได้ บุญกุศลมันก็อำนวยความสุขให้มากเท่านั้นไม่ใช่บุญกุศลมันสำเร็จโดยการอ้อนวอนมันสำเร็จโดยการลงมือกระทำการกระทำนั่นแหละมันก่อให้เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเมื่อทำดี มันก็ขอให้เกิดผลดีขึ้นมาแก่ผูกกระทำทำใจให้เบิกบานผ่องใสจะทำชั่วผลแห่งความชั่วมันก็ปรากฏในใจทำใจเศร้าหมองขุนมัวหาความสุขไม่ได้อันนี้ ทุกคนนะใน ม, มันในเมื่อยังสร้างบุญกุศลไม่เต็มมันก็จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชคือความตายหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นแม้จะเกิดอยู่บนสวรรค์มัจจุราชมันก็ตามไปสวรรค์ ต่เกิดอยู่ในพรหมโลกมัจจุราชมันก็ตามไปสู่พรหมโลกนู่นแต่มันให้โอกาสอยู่ได้นานกว่าเกิดเป็นมนุษย์นี้เพราะเนื่องจากว่าคนมีบุญมากพอสมควรก็จึงได้ไปเกิดสวรรค์หรือพรหมโลกถ้าบุญไม่มากสมควรแล้ว จะไปสวรรค์ก็ไม่ได้อย่าไปเข้าใจว่าการไปสวรรค์ น, นั้นไปได้ง่ายๆเหมืนอนยังบุคคลบางคนมีความคิดเห็นถ้าสร้างบุญกุศลไม่เพียงพอมันก็ไปไม่ถึงอุปมาเหมืนอนยังบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้แหละ จะไปทางไกลยอย่างนี้นะถ้าเงินไม่พอค่าพาหนะมันก็ไปไม่ได้เขาก็ไม่รับเอาอพไรอย่างนั้นเนี่ยผูนั้นต้องหาเงินค่าพาหนะให้ได้เพียงพอเสียก่อนเขาจึงอนุญาตให้ไปได้ อ, อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลที่จะ หลุดพ้นไปจากความทุกข์ในวัฏฏสงสารอันนี้ได้มันก็ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีการสั่งสมบุญบา ร, รมีให้มากขึ้นโดยลำดับถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็เริ่มต้นจกระแต่คันให้ทานมาเมื่อ ศรัทธาการให้กรรมบริจาคแก่กล้าเข้าไปเมือนก็บรรดาลให้อยากรักษาศีลห้าให้บริสุทธิวว์เมื่อรักเสียนสาศีลห้าไปได้แล้วเห็นคนอื่นเขารักษาศีลอุโบสถก็มีศรัทธาแรงกล้าเข้าวัดไปรักษาอุโบสถสมทานเอา ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเารักษาศีลฟังธรรมเท่านั้นแล้วบุญอันนั้นมันกบ็บรรดานให้อยากภาวนาอยากสงบอยากทำใจสงบระ ง, งับมองเห็นว่ามันเป็นสุขสบายดีพอเมื่อใจสงบแล้วไม่ไม่มีกังวลอะไรในโลกนี้ หรือโลกใดๆก็ตามเมื่อผู้ใดทําใจสงบลงไปแล้วใจของคนนั้นก็เป็นกลางอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ติดไม่คล้องอยู่กับโลกใดๆแต่มันก็เป็นไปชั่วระยะที่ใจสงบอยู่นั้นคันเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วมันก็มายึดอะไรต่ออะไรอยู่นั่นแหละ ในเมื่ อ, อยังละอุปทานไม่หมดแต่ก็ยังดีกว่าที่บุคคลไม่ไม่ทำใจสงบเสียเลยผู้ที่ไม่ทำใจสงบเสียเลยนะั่นนะ่ะมันหาความสบายไม่ได้เลยจิตเลื่อนลอยเมื่อจิตเลื่อนลอยแล้ว การทำการพูดอะไรก็เลื่อนลอยไปตามกันไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยแม้ผู้ครองเรือนก็จะทำตนให้เป็นหลักเป็นฐานไม่ได้มีแต่หลักลอยอยู่งั้นอย่างบางคนนะจะหาเงินมาสร้างบ้านเรือนอันถาวรอยู่ก็เขาก็ไม่ได้เพราะ ไม่มีปัญญาออันตันปัญญาทั้งเกียดข้านด้วยร่างกายก็อ่อนแอด้วยอะไรมโมนี้นั่นแหละคนไม่มีปัญญาคนไม่ทําความเพียรไม่ละกิเลสให้เบาบาง อ, อกภิจักขิตใจกิเลสมันทําใจให้เลื่อนลอยนั่น บุคคละฉะนั้นทำความดีอะไรก็ไม่ได้จะเอาดีในการครองเรือนก็เอาดีก็บเขาไม่ได้เพราะใจลอยลงมือทําอะไรไปถ้ามันยุ่งยากวางเทนนี้ไม่เอาแล้ววางมือแล้วอืมวางจากการงานนี้เอาไปจับงานใหม่เข้าไปพอมันยุ่งยากก็ทิ้ง บุคคลเจนเนียตั้งตัวไม่ได้เลยให้พากันเข้าใจการที่บุคคลเราตั้งตัวได้เป็นนักบวชก็ดีเป็นคารื้อหัดก็ดีก็เพราะการฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นนี่แหละเป็นนักบวชจะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ ก็พระอาศัยการฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปเมื่อมองเห็นความสงบแล้วมันก็อยู่แล้วคนเราก็าอยู่ที่ไหนก็ต้องการความสงบสุขเมื่อมันได้ความสงบสุขอยู่ในเพศนักบวชอย่างเช่นนี้มันก็พอใจอยู่ในเพศนักบวชนี้ถ้ามันได้รับความสงบสุขอยู่ในเพศคระลึ้งัด มันก็อยู่ในเพศคารืหัดนั้นท ร, ร ม, มาหาเรื่องที่ไปมันก็พอเป็นไปได้ขอให้ใจนี่มันตั้งมั่นลงไปสู่ต่อคุณงามความดีก็แล้วกันดังนั้นน่ะคำสั่งสอนของพระเจ้านะ่ะสอนคนทุกชั้น ทุกประเภทสรุปลงแล้วก็เลยว่าสอนให้ละคมชั่วสอนให้ทำความดีสอนให้ชำระจิตใจที่เศ้าหมองให้พ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสปา่าประธรรมต่างๆ นี่ตามคำสอนนี่แสดงว่าบุคคลผู้ไม่ภาคเพียรไม่ยามชำระจิตใจของตนแล้ว้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ล่องลอยอยู่ในวตาสงสารอันนี้แหละเหตุที่มันละความชั่วออกจากกายวาจาใจไม่ได้ ก็เพราะมันติดความสุขชั่วคราวความสุขชั่วคราวนี่แหละมันล่อจิตให้ติดอยู่ในทุกข์คนส่วนมากไม่รู้ไม่พิจารณาเลยพอได้พกกับความสุขชั่วคราวอันนั้นก็ติดแน่นเลยวปเดียวอพอใจมาก ความสุขในการมีผัวมีเมียความสุขในการหาเงินนาทองได้ความสุขในการที่มีลาบมียศได้รับความสนเสริญเยินยอจากคนหมู่มากอย่างนี้นะมันก็เป็นความสุขอันหนึ่งอันนี้แหละความสุขเหล่านี้มันเป็นเครื่องล่อให้ติดอยู่ในวัตะสงสารอันนี้ ว่าอย่างทำดีตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อเป็นคนมาแล้วก็มาทนทุกข์ทรมานสวงหาปัจจัยสี่เลี้ยงลูกกายอันนี้อยู่อย่างชาติปัจจุบันนี่แหละทุกคนก็คงเห็นนะอย่าเป็นคเรหัดการทำการทำงานอะไรก็เพื่อ ให้ได้มาซึ่งอาหารผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่นี้แหละการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ดีแต่วันนี้คนผู้มีบุญน้อย มันแสวงหาก็ได้แต่น้อยคนผู้มีบุญมากการแสวงหาของเขาก็ได้มากเพราะบุญหนุนหลังบุญที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันหนุนอยู่เบื้องหลังมันทำให้การงานที่ทำนั้นลุล่วงไปด้วยดีไม่ค่อยมีอุปสรรคขัดข้องเท่าไหร่อันนี้ คนส่วนมากก็ไม่ค่อยเชื่อแหละบางทีก็อาจจะวิจารณ์กันก็ได้เทตุทีทไ้ก็พูดถึงเรื่องบุญเก่ากรรมเก่าก็ลองนึกดูเหตุผลสิที่ได้เกิดเป็นคนมานี่เกิดมา ล, ายลอยๆหรือว่าไงอ่ะอ โดยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเลยมันเกิดมาเองเท่านั้นเหลอถ้าตอบปัญหาข้อนี้ได้มันก็รู้คำสอนของพระติเจ้าได้ถ้าตอบไม่ถูกตอบผิดมันก็ผิดไปจากคำสอนของพระติเจ้าพระเจ้าทรงตรัสความเห็นของคนบางกลุ่มพวกนั่นน่ะ บางพวก็เห็นว่ามันเกิดมาลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนามาเกิดชีวิตนี้นะ ม, มันเป็นอย่างนั้นเห็นกันไปอย่างนั้นคนเหล่านี้แหละมันไม่ละความชั่วทำความดีอยากทำอะไรก็ทำตามชอบใจของตนเองก็ถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำไม่มีผลตอบสนองอ มันเห็นไปอย่างนั้นบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วศูนย์เมื่อเห็นว่าตายแล้วศูนย์บุญบาปมันก็ไม่มีนะกระสนุกทำสิ่งที่ตนต้องการจะเป็นบาปก็ไม่มีจะเป็นบุญก็ไม่ใช่เพราะตายแล้วมันศูนย์มันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรเพราะฉะนั้นจึง สนุกทำความชั่วสนุกเพลิดเพลินในกรร ม, มคุณตบางเขาก็เห็นว่าชีวิตนี้หมายเอาดวงขีดนี่แหละมันเที่ยงมันยั่งยืนมันเละล่อนไปในสงสารอันนี้โดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไร นำไปมันไปเองมันท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้นานเข้านานเข้าแล้วมันก็บริสุทธิ์ไปเองมันนี่ในตำราท่านกล่าวไว้นะความเห็นทั้งหมดเหล่านี้นะมันน่วนตั้งแต่ ทำให้คนเรานั้นทำความชั่วได้ทั้งนั้นเลยมีแต่ความเห็นมีจำพวกหนึ่งที่เห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดแต่เหตุภายในได้แก่กรรมการกระทำของคนเราไม่ใช่ว่าชีวิตนี้ไม่มีเหตุปัจจัยการกระทำในอดีตทนหลังชาติหลังนูน่น มันก็ตามส่งผลมาในชาตินี้การกระทำในชาตินี้มันก็ตามส่งผลไปในชาติหน้าต่อไปเหมือนลูกคลื่นในมาหาสมุทรทะเลมันสัดต่อๆกันไปจนถึงฝั่งอย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกรรมคือการกระทาของคนเรานี่นะ มันย่อมมันย่อมส่งชีวิตนี้ให้ต่อกันไปเรื่อยๆไปผู้ใดทำกรรมชั่วกรรมชั่วมันก็ส่งต่อให้ไปสู่ทุกข์สวยทุกข์อยู่ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรลกเป็นตน้นหมดเขตของกรรมชั่วแล้วเอาก ร, รมดีที่ทำไว้แต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผล อพอเกิดเป็นคนมาอีกเกิดเป็นคนมาแล้วถ้าได้ไปคบกับคนพาลเข้าเอ้าคนพาลก็พาทำกรรมชั่วเข้าไปอีกอตายแล้วไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมิแต่ถ้าได้ไปคบคนดีนักปราชญ์บัณฑิตคนชั่วน้อยนักปราชญ์จะชักชวนให้ละความชั่วทำความดี ่าจะได้ทำความดีไปกับนักปราชญ์เว้นจากการกระทำความชั่วชีวิตของผู้นั้นก็ค่อยดีขึ้นบานี้นะชาตินี้ทำความดีไปแล้วบาปกรรมที่มันให้ผลมาตะก่อนหมดลงบะนี้มีแต่ความดีล้นล้นติดตามไปหมดอายุสังขารในโลกนี้แล้ว กรรมดีนะั่นก็ตามไปสู่ที่สุขสบายไปเกิดได้ที่สุขสบายเมื่อกิเลสยังไม่สิ้นน ะ, ะมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรามันจะก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการละความชั่วนี่เอง เ, องเนี่ยออกจากกายวาจานี่ให้มันหมดไปสิ้นไปจริงๆ แล้วพยายามทำแต่ความดีใส่ตัวเองเรื่อยไปเช่นนี้ชีวิตมันจึงก้าวหน้าไปได้ให้พยากันพารนาให้ดีคำว่าทำความดีนี่มันมีความหมายกว้างทำความดีแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงเนี่ยเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่า การทำความดีนี่หมายเอาแต่การกระทำความดีขั้นต่ำๆเท่านี้ไม่ยังไม่อย่างนั้นเช่น mm hmm. เป็นนักบวชรักษาสินสำรวมในวินยัยให้บริสุทธิ์ด้วยดีได้แล้ว mm hmm. ก็ฝึกทำสมาธิ mm hmm. ห, หัดนั่งเพ่งกรรมฐานเป็นอารมณ์ ันว่ารรมฐานปรากฏในใจเขมแจ้งขึ้นมาแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้จิตมันรวมลงสงบอยู่นั้นก็ยังไม่พอต้องเจริญปัญญาเข้าไปอีกเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นแล้วมันก็มาสอนจิตนี่แหละสอนจิตนในไหละอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็มายากกับความยึดถือนี่แหลบุคคลผู้ปัญญามไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าตดจิตของตวมันยึดถืออะไรต่ออะไรไม่รู้เลยนะคนสนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ทราบเจร ะ, ะอะไรกันก็เลยอยู่ไปตามยถากรรม โดยยึดขันธ์ห้านี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างไปอย่างนั้นแหละคนเราส่วนมากนะคนส่วนน้อยที่มารู้ความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าปัญจุปาดานะขันทาดุข่าความเข้าไปยึดพันถือมัน่นขันธ์ห้า ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์มาถือเอาหลักนี้นะอนนเอาจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตยึดถือขันห้ า, ารู้ได้ไม่ยากเวลาประสบกับโรคภัยค่าเจ็บเบียดเบียนขึ้นมาก็กวนกรวายกลัวต้มกลัวตายเนี่ยอยู่เป็นสุขไม่ได้เลยนั่นนะ หรือไม่ฉช่นั้นก็ใครมาตำหนิตีเตียนมาดุด่าว่ากล่าวเช่นนี้เขาก็อด้นทนไม่ไหวก็ด่าตอบก็โต้ตอบกันไปทางที่ไม่ดีเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นกเพราะมันหวงขันห้านี่แหละมันไม่ปรงไม่วาง ดังนั้นเมื่อใครมาตำหนีตีเตียนไม่พอใจถ้าใครมาสนเสริญเยืนยอเช่นนี้ก็พออกพอใจนั่นในลักษณะของกีตใจที่มันยึดถือขันห้าเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันมลีลักษณะอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องพิจารณาใจตัวเอง เหตุที่มันมาอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่อทนทุกข์ทรมานอยู่กับขันห่านี้ขันแล้วก็ขันเล่าก็เพราะว่าจิตนี้มันไม่มีความเพียรที่จะมาปรุงมาวางขันห่านี้เลยเกิดไปชาติใดก็มีแต่ยึดถือขันห้านี้ไว้แล้วก็เพียงแค่แค่ว่า ทำบุญทำทานไปตามโมเพณีนิยมไปเท่านั้นอันจะไปนั่งสมาธิภาวนาผึกใจให้สงบแล้วใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปรงให้วางขันธาลงอันนี้มันก็ทำไม่ได้มันไม่สนใจท้ํมเลยแล้วอย่างนี้จะไม่ให้คนเรานะ่ะนะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้ได้อย่างไรลนะ่ะ นนมันก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอนเลยเพราะว่าเกิดมาอาศัยโลกนี้แล้วไม่เบื่อโลกอันนี้เลยไม่เพียรไม่ยามปรงวางขันห้านี้ลงเลยขาดความเพียรความไม่ยำปล้อยชีวิตอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆอย่างนี้แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ง่ายๆอย่างไรอ่ะเังนั้นผูใ้ใดอยากค้นจากทุกข์ ในวัตาสงสารนี้ไปแล้วก็ะให้พึงภาคเพียรไม่ยามนั่งสมาธิภาวนาขอาไปแล้วปงสังขาร น, นามรูปอันนี้ลงโดยที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเป็นของที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยคืออวิชชาตันหากรรมอาหารที่มันเกิดไปนี่ก็เพราะจิตไม่ ไม่เบื่อไม่น่ายคิดไม่ปรงไม่วางแต่ก่อนนู่นแหละเมื่อจิตไม่ปรงไม่วางขันห้านี่แล้วมันก็ใช้ขันหานี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างคาดีคาชั่วนี่ก็เลยนำจิตวิญญาณให้ไปเกิดใจพบน้อยพบใหญ่ไปอาศัยขันหานี่ขึ้นมาขันห้านี่ก็ได้มาจากปานดาบิดา รูปกายนี่นะได้มาจากมันดาบิดามาจากธาตุของมันดาบิดานโดยมีบุญกุศลเป็นเครื่องตกแต่งให้เป็นรูปลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับรูปกายของคนทั่วไปเนี่ยมูลเหตุที่จะต้องมาบ่นทุกข์กันอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะ ก็เพราะไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบตั้งมัน่นไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตมันจึงได้หลงยึดขันห่าวเป็นตัวเป็นตนอยู่ร่ำไปชาติแล้วก็ชาติเราอยู่อย่างนี้แหละอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าผู้ใดเกียจคร้านภาวนา ไม่นั่งสมาี่ภาวนาเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่น้อมดึกถึงคุณพระรัตนกรายเป็นที่พึ่งจิตใจมันก็ยิ่งห่างเหินจากคุณแก้วสามประการนี่ไปผู้นั้นเชื่อว่าไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐมันก็ย่อมไปเกิดที่ทุกที่ยากที่ลำบาบกนี่ยบุคคลไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกคนไม่ว่านักบวดไม่ว่าคฤหัสทํทำมยังว่ามันจำเป็นจำเป็นก็เพราะว่าเมื่อบุคคลภาวนาเท่านั้นแหละถึงจะเอาตัวรอดจากทุกข์ไปได้ถ้าใครไม่ไหวพระไม่นั่งสมาธิภาวนา ก็จมอยู่ในทุกนี้มันก็สะสมเหตุแห่งทุกไว้บานี้ทุกมันก็จอมเป็นผลปรากฏขึ้นในใจนี้เสมอเสมอถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นความทุกข์อันเกิดจากใจมายึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นทัวเป็นตนนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่นิ่งนอนใจเลย เพียนพยายามอบรมจิตใจสงบใช้ปัญญาสอนใจของตนให้ปร่งให้วางขันห้านี่ลงไอ้ใจนี้ถ้าปัญญาไม่สอนแล้วมันไม่มีความเฉลียวฉลาดอะไรมันมองไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอะไรรอกอที่มันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเพราะปัญญามันเกิดแล้วปัญญาน่มาสอนจิต ให้เห็นทุกเห็นภัยในสงสารนี่ให้เห็นว่าขันธ์ห้าที่จิตอาศัยอยู่ภายในนี่ก็ก็เหมือนกันนอกขันธ์ห้านี้ออกไปรอบร้ อ, รอมรอบกายอันนี้อยู่นี่ก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปร่วนแตกกลับไปอยู่อย่างนั้น จิตที่มาอาศัยอยู่ในขันหานี้มันถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีเกิดและมันมีแปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นมันถึงเป็นทุกข์นั่นแหละจิตที่มาอาศัยอยู่นี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพระมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิกาย่ยอมเห็นว่าเป็นทุกข์จริง การมาใส่ยอยู่ในขันห้านี่ยใครเป็นทุกข์หรอกระดวงคิดนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นเนี่ยร่างกายนี้ถ้าปราศจากดวงคิดนี่แล้วมันไม่รู้จักร้อนรู้จักร้อนไม่รู้จักเก็บจักปวดอะไรหรอกมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินหมู่นั้นใครเก็บฟักฟันบั่นทอนยังไงมันก็ไม่ เจ็บไม่ร้องโคลนค้างอะไรเลยซากศพคนที่ตายแล้วจิตวิญญาณออกกากร่างแล้วยิงอยู่เราไม่ได้ทําอะไรให้ใครมารุมกัดกันกินอย่างนี้มันก็ไม่ร้องโกลนค้างไม่เจ็บไป่ปวดอะไรนั่นแหละเราพิจารณาให้มันเห็นทีนี้ถ้าว่าจิตยังคองอาศัยอยู่อย่างนี้นะ แม้อะไรมาถูกน้อยหนึ่งมันก็เจ็บเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาให้มันเบื่อมันหน่ายต่อความทุกข์ในขันธ์ห้าอันนี้ดังเช่นม ลักษณะสามประการที่ท่านเรียกว่าติลักษณะสูตรพระองค์ทรงแสดงไว้ mm. เมื่อใดผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นสังขารดังกงเป็นของไม่เที่ยงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ หายควา ม, วามกํำลัดหินดีลงนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นสังขาร น, นั่งปวงเราเป็นทุกข์ต่อใยากลําบากเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ข้อนั้นเป็นทางอันบริสุทธิ์เมื่อใดผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอภยากตาธรรมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นอนาตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้นะนะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายที่เพราะว่ามองดูแล้วมันไม่มี อะไรที่อยู่ในอำนาจมันเข้ามาช้างตนเลยอืสิ่งใดมันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแม้จะไปดูแลรักษาดัดแปลงให้มันเที่ยงยั่งยืนตลอดไปไม่ได้เลยอเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็แปรผันหวั่นไหวทนทุกข์ทนได้ยากลําบากเหตุที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละ ทำไมมันจึงแปลปวนมันจึงทุรนทุรายก็เพราะมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยขันห้านี่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวงังเหตุดังนั้นมันถึงเป็นทุกข์บุคคลผู้ยึดมั่นถือมัน่น ในของไม่เที่ยงนะมันจึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละดันั้นปัญญาเนี่ยรอนใจให้ปล่อยให้วางลงไปอย่าไปถือมั่นในขันหานี่เวลาขันหานี่มันเป็นปกติสุขกินได้นอนหลับกระดีอกดีใจนั่นความยึดถือน่ะลักษณะของความยึดถือเป็นอย่างนั้น แล้วก็เกลียดติ้านทําความดีแบบนี้คนผู้หลงยึดหลงถือขันหน้าเวลาขันหน้ามันสบายก็สนุกกินสนุกนอนสนุกเล่นไม่อยากใช้ขันหน้านี่ทําการทํางานอะไรเห็นว่าอยู่อย่างเนี้ยเป็นถูกสบายดีไม่นึกถึงอนาคตแห่งชีวิตว่ามันจะเป็นไปยังไง ลักษณะของบุคคลผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยผู้ยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามันแปรสภาพไปทั่วเลยนะทำให้คนเกียดคล้ามไม่ขยันหมั่นเพียรในการละความทั่วททำความดีมันก็เกิดจากจิตใจที่มายึดขันห้านี่แหละถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่า ยึดที่มายึดขันหน้าบอป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้นะมันจะเป็นทุกข์ตลอดไปในภพในชาติเพราะมันยึดมั่นในขันหน้าแล้วมันไม่ทําความดีอะไรมันไปทําด้วยความชั่วอย่างนี้นะเพราะว่าใจมันไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันมันหลงนี่มันไม่รู้แจ้งกระเพราะฉะนั้นเนี่ย มันยังไม่ใช้ขันห้านี้ทำความชั่วโดวยกายวาจากรรมชั่วมันก็เลยติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปในสงสารมี้่งคิดให้มันเห็นอย่างว่าคนเราถ้าบุคคลมาเห็นแจ้งในขันห่านี้ว่าไม่ใช่ของเรารินจังอะไรอย่างนี้ระเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้ว แต่ว่ามันก็ยังละไม่ขาดอยู่นั่นแหละแต่เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันเพียรพยายามนี่ว่าไงนะเพียรพยายามภาวนาทําใจสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นลราสอนจิตนี้เสมอไปสอนให้มันลงให้มันวางไม่ถือมัน่นเอาใครด่าวา่าตีเตียนแล้วก็อดกัน้นทนทานเอาไม่ตอบไม่โต เพราะว่าถ้าไปตอบโต้เข้าไปก็แสดงถึงความถือมั่นแล้วถ้าไม่ตอบไม่โต้แล้ว แ, แสดงว่าลงสันหา้าวางขัน้านี่ลงมอไปตามธรรมชาติของมันมันไม่ใช่ของเราของเขาอะไรใครจนเสรอเสนก็าตามใครจะินทาว่าได้ก็แล้วแต่นี่สำหรับผู้ที่เห็นภัย ในความยึดถือนะผู้เห็นภัยในวัตาสงสารอันนี้นะมันก็ย่อมมีความเพียรบากฝั่นมั่นหมายฝึกจิตอันเนี้ยให้มันพงมันวางให้มันพ้นไปจากความทุกข์ในโลกนี้นจุดมุ่งหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้านัมีอย่างนี้ดังนั้นเมื่อผู้ได้ได้ยินได้ฟังแล้ว ให้น้องออกไปพิจารณาถ้าเห็นตามก็ลงมือทำความเพียรอย่าได้ประมาทต่อไปวันพระนี่ในพระพุทธศาสนาทันถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นวันอุบาสกวสิกา ร, รักษาศีลอุโบสถ อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวันพระภิกษุสง์ ส, งสวดพระปาฏิโมกข์เรียกว่าทบทวนพระวินัยสู่การฟังเพื่อไม่ให้ลืมเลือนแต่ว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้ดูคำแปลก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะรู้ความหมายเท่าไหร่แหละ ถ้าได้อ่านมันกวาดมาแล้วเล ด, ดูคำแปลมาก็เข้าใจได้แต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ว่าคเรหัดไม่ว่านักบวชเราจะต้องเคารพต่อวินัยที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้ตามฐานานุรูปแล้วคำว่าใคร มีหน้าที่รักษาศีลอย่างไรก็ตั้งใจรักษาศีลอย่างนั้นให้บริสุทธิ์ไปมันถึงจะพ้นจากทุกข์ไหในวันตัดสงสารนี่ไปได้คนเราที่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เกิดมาแล้วมีแต่กรรมแต้วินตามสนองมีแต่ความเสื่อมแห่งชีวิต จเจริญมาหน่อนหนึ่งขบับเสื่อมลงได้รับความยากลำบากลำบนต่างๆ น, น, นานาหมู่นี้มันก็รุ่นตั้งแต่บาปกรรมทั้งนั้นแหละมันติดตามมาให้ผลเนื่องมาแต่คนเราไม่ได้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์มาแต่ชาติก่อนบางวันบางคราก็มีศีลไป บางคราวก็ไม่มีศีลไม่เอาใจจดจ่อให้ต่อเนื่องกันไปคราวใดไม่มีศีลก็แสดงว่าไปล่วงศีลทำบาปคราวใดมีศีลก็มายความ่าสำรวมกายวาจาไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติที่ได้สมทานแล้วเมืม่อทำทั้งบุญทั้งบาปอย่างนี้เนี่ย การรักษาศีลมันก็เป็นบุญคุณศนะ์การที่ร่วงละเมิดในศีลมันก็เป็นบาปดัะนั้นเมื่อทำทั้งบุญทั้งบาปอย่างนี้เมื่อหมดอายุสังขารในชาตินั้นบุญบาปก็พาไปเหมือนี้พาจิตปิญญา น, นี้ไปถ้าหากว่าบุญมีกำลังเหนือกว่าบาปบุญก็นำไปเกิดที่สุขสบาย เมื่อเมื่ อ, อานิสงแห่งศีลมันอำนวยผลให้อยู่นั่นน่ะมีความสุขความเจริญดีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนร่างกายทีนี้พอหมดานิสงแห่งศี น, นั้นลงไปบาปที่ทำนั้นมันได้ช่องได้โอกาสมันก็ให้ผลสืบต่อวะเนี่ยชีวิตก็เสื่อมโทรมลงไปถึงความมีบัตรไป ไม่เจริญด้วยลาบยศสรเสริญเหมือนแต่ก่อนได้รับความลำบากต่างๆนานานะมันเป็นอยู่นี่น่ะชีวิตของคนเราพวกไม่สำรวมในศีลให้ติดต่อกันไปทำให้ขาดเป็นบางครั้งบางคราวบางคราวก็สำรวมตนด้วยดีอย่างนี้ ต้องให้นึกถึงเรื่องนี้ให้มากการที่ผู้ใดมีชีวิตเป็นมาในโลกนี้ไม่ค่อยได้ประสบภัยพิบัติต่างๆมีความสุขสม่ำเสมอเรื่อยมานั่นแสดงว่ามันไม่มีกรรมไม่มีเวรตามสนองจึงค่อยมีความสุขสม่ำเสมอมาแต่ว่ามีน้อยคนที่สุด จะมีความสุขสม่ำเสมออย่างนั้นนะไม่วิบัติอย่างหนึ่งมันก็อย่างหนึ่งอยู่นั่นแหละมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอ่ะเมื่อเรามาได้ฟังคําสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเรามองเห็นบุญเห็นบาปได้จริงๆแบบ น, นี้ว่าบาปมันมีจริงบุญมีจริงยงมุญอํานวยผลให้เป็นทุข บากอำนวยผลให้เป็นทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้เราก็พยายามละเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนั้นสมทานมั่นในศีลให้เข่งคัดเข้าไปเมื่อสมทานศีลลงไปแล้วมันจะเกิดขัดข้องในชีวิตบางสิ่งบางอย่างมันจะลำบากลำบนก็ทนเอา ไม่เป็นไรให้นึกสอน ต, ตนเตือนตนว่าถ้าตนไม่มีศีลน่ะทำบาปตายแล้วไปตกนรกน้ำร้อนรวกไฟเผาอยู่นั่นน่ะมันยิ่งทุกข์กว่านี่หลายร้อยหลายพันเท่าก็เตือนตนอย่างนั้นแหละธรรมดาผู้รักษาศีลเมื่อเกิดขาดข้องอะไรต่ออะไรขึ้นมามันได้รับความลำบากเพราะรักษาศีลอย่างนี้นะ แล้วก็สอนเตือนตนอย่างนี้ใอล้ลำบากอยู่ในโลกนี้นะไม่เท่าไรโลก่ไปลำบากอยู่ในนรกอบายภูมินั่นสิมันแสนทุกข์แสนยากอืมสอนตนเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็มีกําลังใจที่จะรักษาศีล น, นั่นไอ้ผู้ไม่รักษาศีลแสดงอาการสนุกสานานไปในโลก แม้จะขัดต่อสินก็ตามก็ร่วงเกินไปก็ได้ความสนุกสนานเล่ล่าเริงบันทึงไปชั่วระยะหนึ่งใวผลแห่งความไม่เคารพต่อสินนั่นะมันอํานวยให้ในภายหลังได้ประสบแต่ความทุกข์ดังกล่าวมานั้นนางที่บางคนได้ประสบความทุกข์อยู่ในโลกอ น, นี้แหละ มีอยู่ทมไปจะพรนนาถึงความทุกข์ของมนุษย์แล้วไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะต่างคนต่างทำเหตุแห่งทุกข์มาคนละอย่างเวลามันอำนวยผลให้มันก็เป็นทุกข์ไปคนละอย่างกันไม่เหมือนกนันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วว่าตอนนั้นเป็นผู้สำรวมในศีลมา เป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษโทษอันใดที่ร่วงล้ำำาธรรมะเจขนกอธิษฐานใจละทุกวันทุกคืนไปเมื่อรู้ว่าตนนั้นเป็นผู้มีศีลด้วยดีอยู่มาอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่าให้มันด่างพร้อยอย่าให้มันขาดผู้เคยรักษา สินห้าเป็นนิจจสินแล้วก็มารักษาสินอ โ, โสดเป็นอัตเลกกะสินคือวันแปดคำ่ำวันสิบห้าค่ำเดือนดับเดือนเพนถ้าเคยทำมาอย่างนี้ก็พยายามทำต่อกันไปเรื่อยเส้นเสียแต่มันมีอุปสรรคจำเป็นจริงๆก็จึงค่อยยกเว้น ถ้าไม่จำเป็นจริงๆกนะ็รักษามันแหละอุโบสถศิลแม้อยู่บ้านอยู่ช่องก็รักษาได้ก็สสำคัญเราสำรวมกายวาจาตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีอย่าให้ล่วงสิขาบทพุทธบัญญัติที่ได้สมทานมาแล้วนั้นถ้าสำรวมได้อยู่ในบ้านมันก็เป็นศิลวโสดให้ ถ้าสำรวมไม่ได้มาอยู่วัดมันก็เป็นศีลโสถไม่ได้แต่ว่าการมารักษาโสถศีลอยู่ในวัดนี่เนะี่ยมันย่อมจะมีอนิสงส์มากกว่าการรักษาอยู่ในบ้านเพราะว่ามันอยู่ห่างไกล จ, จากจากชุมชนห่างไกลจากคือกความอึกอึกโคมต่ า, างๆมาอยู่ในที่สงบสงัด มันก็ได้สำรวมกายวาจาใจให้สงบประงับจากาบาปจากโทษต่างๆได้ดีถ้าพูดถึงตัวสินแท้แล้วมันก็คือตัวจิตที่ตั้งเจตนาวิรัติะเวน้นจากความชั่วต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติถ้ไวนน้นั่นแหละนั่นแหละตัวสินนะี่คือตัวเจตนาความคิดความนึกของจิตนะนะ ตั้งเจตนาลงว่าหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์สองเราจะไม่รักทรัพย์สามเราจะไม่ประพฤติผิดในกามสี่เราจะไม่พูดเท็จห้าเราจะไม่ดื่มทุราเมีัยกัญชายาพินเฮโรอีนนี่การที่เราตั้งจิตเจตนานึกคิดอธิษฐานจิตตรงไปอย่างนี้เราก็สำรวมระวังไม่ร่วงเกินนะ อย่างนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าตัวศีลก็คือตัวจิตตัวจิตที่ตั้งเจตนาวิรัตละเวนจากความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นตัวศีลไม่ได้อยู่ที่กายที่วาจาอยู่ที่ใจกายวาจานั้นมันเป็นสื่อทำให้เกิดเป็นศีลขึ้นมา ถ้าเราทำดีพูดดีไม่ร่วงเกินพุทธบัญญัติอย่างนี้นะแสดงว่าจิตนั้นวิรัตละเว้นแล้วกายมันจึงเว้นวาจามจึงเว้นตามได้ดังนั้นศีลก็เกิดขึ้นในใจใจก็เป็นผู้มีศีลแล้วบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ของภิสุสงก็เหมือนกันมันก็อยู่ที่เจ ต, ตนาตั้งจิตเจตนาวิรัติะเว้นนี่แหละสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนให้อธิษฐานในใจลงไว้ว่าเราจะสร้างจิตเจตนาวิรัติละเว้นจากข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะไม่ร่วงเกิน ให้มันอธิษฐานอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่แน่นมันลืมนะบางคางมันก็ลืมแหละการที่ท่านแนะนำให้สมัติทานศีลอยู่เป็นค้างเป็นคราวนั่นน่ะก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้หลงนั่นแหละไม่ให้เผลอไปไม่ให้ล่วงศีนถ้าอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้ล่ะบางทีมันก็เผลอไปเลย เข้าใจว่าตนไม่ได้รักษาอะไรอย่างนี้สินก็เลยขา ด, ด่างคร้อยไปนี่ถ้ามันสมทานรละลึกได้อยู่เตือนตนเสมอไปได้อย่างนี้มันก็มีสินเสมอไปอันนี้แหละให้ใส่ใจให้มากมากสินนี่แหละเป็นรากรากเง้าของบุญของกุศลทั้งหลาย อันส่วนที่เป็นโลกียาคุศลก็มีศีลเป็นพื้นฐานที่เป็นโลกุตระกุศลก็มีศีล น, นี่แหละเป็นพื้นฐานบุญกุศนสองประเภท น, นี้ถ้าขาดศีลซะแล้วเป็นไม่ได้เจริญงอกงามไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจเรื่องศีลให้ ม, มากๆเราคูรนับถือพระพุทธศาสนานี่นะ การให้ทานนั้นไม่มีปัญหา เ, ออเมื่อจิตเป็นศีลแล้วยางมันทั้งมีเมตตาอาลีขึ้นมาออท่านจึงเรียกว่าศีลธรรมศีลธรรมธรรมนั่นคือเมตตากรุณาออสนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์ให้เป็นผู้มั่นอยู่ในศีลพวาเมตตาคำนี้หมายถึงความตั้งใจ ปรารถนาจะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันความตั้งใจลงไว้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเมตตานะตั้งใจลงว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขทุกท่กทวนหน้าอย่ามีเว้นต่อกันและกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยต่างต่างก็อยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัย อันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิดการที่เรานึกคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจริญเมตตาการุณาการุณาแปลว่าความสงสารเมตตาแปลว่าความปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขทั่วกันไปไม่คิดอิจฉาลิสยาให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าจิตผู้ใดเป็นอย่างนี้แล้ว เรียกว่าเป็นผู้มีศีลธรรมศีลก็มีธรรมก็มีแบบนี้นะเปน็นอย่างนั้นศีลก็คือความสมรวมกายวาจาัยเรียบร้อยไม่ร่วงพุทธบัญญัติอย่างที่ว่านั่นแหละธรรมก็คือจิตใจนั้นเปี่ยมไปด้วยความเอ็นดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งคนดีทั้งคนชั่ว เราตั้งความสงสารไว้ในใจแต่ถ้าคนชั่วมันเหลือวิสัยฝึกขนอบรมไม่ได้เช่นนี้แล้วเราก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปนั่งวิตกวิจารเสียอกเสียใจกับคนชั่วที่สอนไม่ได้นั้นนึกว่ากรรมของเขาเขามีกรรมเป็นของของตน เขากำลังสเสวยผลแห่งกรรมที่เขาทำมาเพราะฉะนั้นใครจะไปอยู่เหนืออำนาจแห่งกรรมไม่ได้เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปรังเกียจคนมีกรรมมีเวรอย่างนั้นมเมื่อเมตตาคิดช่วยเหลื อ, อยังไงมันก็ไม่เป็นไปให้แล้วก็วางอุเบกขาลง เข้าใจไหมยอย่าไปวิตกวิจารณ์เสียใจครับแค้นใจเกลียดชั้งอะไรต่ออะไรอย่าให้มันมีในใจนั้นนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จําได้แต่ตัวหนังสือเฉยๆนั้นไม่ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรม ต่อเมื่อได้น้อมสินน้อมธรรมนั่นเข้าไปสู่จิตให้สินธรรมมีอยู่ในจิตทุกเวลานาทีไปนั้นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสินซึ่งธรรมผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในสินในธรรมอย่างนั้นแล้วก็ย่อมมีใจเบิกบานผ่องแผ้วมีใจหนักแน่นตั้งมัน่นอยู่ด้วยดี เพราะว่าศีลธรรมนี้เมื่อมันเกิดขึ้นในใจของใครแล้วตัญหาที่มันรบกวนจิตใจให้ทะเยอทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรนั้นมันก็เบาบางลงไปเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นจิตใจของผู้ฉะนั้นจึงส ง, งบเยือกเย็นหนักแน่นอยู่ในคุศนคุณงามความดี ทีนี้เมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแล้วเราเพ่งจิตเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปนึกเข้าไปหาตรวงจิตนู่นว่าจิตนั้นมีสิน้นมีธรรมอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วก็ไปเพ่งจิตนั่นอยู่ประคองจิตนั้นไว้ ให้มั่นอยู่ในสินในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราเพ่งอยู่นั้นไม่ถอยจิตนี้มันก็ค่อยรวมเข้าค่อยส ง, งบละเอียดประณีตเข้าไปโดยลำดับถ้าเราเพียงแต่นึกแต่คิดทำความเชื่อเลื่อมใสในสินธรรมแล้วใจตั้งมั่นอยู่ได้อันนี้มันยังไม่ละเอียดมันยังหยาบโย ต่อเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปแล้วมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แนละ้วจิตมันก็คลายความยึดถือทุกอย่างเพราะว่าเมื่อมันเกิดบันดับอยู่เนี่ยจะไปถือมั่นยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ไม่เที่ยงไม่ย่งยืน มันย่อมเกิดย่อมดับอยู่นั้นตามเรื่องของมันเราเรื่องอะไรเราจะไปผูกพันกับของไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจมันมีปัญญาสอนอย่างนั้นแล้วมันก็รู้ตัวเอยเป็นความจริงไปยึดเถิดสิ่งไม่เที่ยงอย่างนันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละปองเสียเถอดิดวางเสียเถิดเนี่ยตนเองอับสอนตัวเองเข้าไป มันก็พงวางลงได้นั่นเนจิตก็สงบเข้าไปละเอียดกว่านั้นบบ น, นี้นั่นเนออิ่มอยู่ภายในจิตใจไม่ต้องการอยากคิดนึกไปไหนบบ น, นี้มันอิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพอมองไปไหนก็มีตะเกิดแต่ ด, ดับอยู่อย่างนั้นดังนั้นนะ่ะมันถึงอิม่มถึงไม่ปาถนาบั น, นี้ก็ปล่อยวาง จิตก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวอะไรว่าจิตเราเป็นอุเบกขาวางเฉยต่อสุขต่อทุกต่อความเกิดความดับของร่างกายอันนี้นี่วางเฉยแล้วมองเห็นความเกิดความดับความแปรปรวนของร่างกายอยู่อย่างนั้นตามธรรมดาเดี๋ยวทำความรู้เท่าอยู่อย่างนั้น ไม่วันไวไปตามมันอันนี้แหละจึงเดดดีเรียกว่าเป็นผู้เจริญสมาธิพร้อมด้วยปัญญาเราไม่ไปสงบอยู่เฉยๆยังใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี่ให้ปรงให้วางสังขารนามรูปร่างกายทุกส่วนอันนี้นัน่าไปเสียดายมันนักหนา เราปรองระวางลงแล้วมันสบายใจดีถ้าไม่ปรงไม่วางแล้วเวลามันวิบัติแปรปรวนไปมันก็เดือดร้อนหลายเป็นทุกข์หลายนะเนยถ้าเราปรงวางลงไว้แล้วร่างกายนี้มันก็เป็นอยู่ตามเดิมของมันนั้นแหละมันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าใจยืดเหืออยู่มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นแหละ ใจนี่จะไปบังคับให้ร่างกายนี่ให้เที่ยงให้ยั่งยืนให้เป็นสุขตลอดไปตามความประสงค์ไม่ได้เลยความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้พากันเข้าใจตามเป็นจริงเข้าใจในอุบายฝึกผนอารมณ์จิตใจอย่างนี้แล้วจำไว้แล้วเอาไปฝึก ก็คงจะได้รับความสุขความสงบตามความมุ่งมา่นปาถนาดังแสดงมาขอจบตรงเพียงเท่านี้